ชีวประวัติสมดิจพระพุท ธ, ธาจารย์โตโพรหมรังสีจากบันทึกของพระยาธิภโกษาสอนโลหนันเนื้อหาทั้งหมดรวบรวมและเรียบเรียงโดยหม่อมหลวงพระมหาสว่างเสนีวงศ์ใอยุทยาวัดสาเกตเนื่องจากต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มานะครับหลังค้นเจอต้นฉบับเก่าอิางแห่งหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะารึกไว้ เพื่อระลึกถึงพระคุณในความอุตสาหะของท่านและความเข้าใจที่มาของเนื้อหาทั้งหมดว่าน่าเชื่อถือในระดับใดจึงขอสรุปมาให้ฟังแบบกระชับด้วยภาษาปัจจุบันดังนี้สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังสีแม้ภายหลังมรณภาพก็ยังมีเกติศรรั์เกติคุณขจรไปทั่วแผ่นดินอีกทั้งองค์พระโตวัดเกตชยโยที่ท่านสร้างไว้ก็เป็นที่เคารพและเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธ ชาวบ้านชาวเมืองต่างาพากันใคร่อยากรู้ประวัติของท่านจึงาพากันมาขอให้ในายพร้อมสดุดีพงชาวเมืองอ่างทองช่วยสืบหาประวัติให้ได้ทราบทั่วกันนายพร้อมจึงเดินทางมาค้นหาความจริงกับหม่อมหลวงพระมหาสว่างเสนีวงศ์ณอยุธยาที่วัดสาเกตและพากันไปพบท่านเจ้าคุณธรรมทาวณช้างซึ่งขณะนั้นมีอายุปปีเป็นสิทธิผู้ใกลชิดสมเด็จโต อยู่กับท่านมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กได้ทันรู้เห็นเหตุการณ์อีกครั้งนั้นท่านได้เล่าให้ฟังหลายสิบเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องน่าคิดน่าพิศวงจากนั้นท่านจึงแนะนําให้ไปดูเพิ่มเติมกับภาพเขียนที่ผนังโบสถ์วัดอินทราวิหารบางกุนพรมซึ่งสมเด็จโตท่านให้ช่างเขียนประวัติของท่านไว้ที่นั่นหม่อมหลวงพระมหาสว่างกับในพร้อมสะดุดีพงศ์ได้จดบันทึกเรื่องราวจากคําของเจ้าคุณธรรมทาวร และจากในภาพทั้งหมดก่อนที่หม่อมหลวงพระมหาสว่างจะนำมาสอบถามผู้เกี่ยวข้องและสืบค้นจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่ในสมัยนั้นทั้งพงศาวดารราชการราชประวัติประมวลกับคำบอกเล่าที่สืบกันมาเรียบเรียงเป็นประวัตินี้ในปีพุทธศักราช2473โดยท่านระบุไว้ว่ามีสันนิษฐานบ้างวิจารบ้างพอให้สมเหตุสมผลกับหลักฐานราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่มีอยู่โดยเขียนตามหลักการแต่งหนังสือด้วยภาษาที่เหมาะกับยุคสมัยนั้นคล้ายกับเล่าเรื่องตามวันใคดีบางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงแต่ธรรมดาก็ต้องมีต่อมีเติมมีตัดเป็นจำนวนภาษามีขัดลิ้นขัดหูโดยที่สาระสําคัญของเรื่องยังไม่ผิดจากความจริงซึ่งเข้าใจว่าในที่นี้คงหมายถึงบางเรื่องที่ท่านนําเรื่องจริง จ, งจากภาพมาใส่บทสนทนาเข้าไป หรือคำบรรยายสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต้องไม่ลืมนะครับว่ามีทั้งเรื่องที่ถอดมาจากภาพเขียนกับเรื่องจากพระผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดของสมเด็จโตท่านโดยตรงซึ่งท่านก็ยังบอกไว้ว่าหากแม้อ่านผ่านๆไม่ติดใจกับสิ่งปลีกย่อยเหล่านี้ก็เชื่อว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับประวัติจากบันทึกของพระยาทิพระโรสานั้น มีการพิมพ์หลายคราวและอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่แตกต่างกันไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าเนื้อหาในบางฉบับที่มีมากกว่านั้นเป็นการเพิ่มมาภายหลังหรือเป็นการตัดออกของฉบับที่ไม่มีเนื้อหานั้นและต้นฉบับที่สืบทอดมาในรุ่นหลังก็อาจมีการดัดแปลงสำนวนให้เป็นภาษาที่ทันสมัยขึ้นตามแต่ผู้จัดพิมพ์ที่ต่างกันนะครับ